บทที่4อธิบายธรรมเมื่อทราบความหมายของศัพท์เฉพาะแต่ละคำที่ปรากฏอยู่ในคําสอนเรื่องอริยสัจแห่งจิตที่หลวงปู่แสดงไว้แล้วต่อไปนี้จะอธิบายถึงความหมายของธรรมในเรื่องอริยสัจแห่งจิตไปตามลําดับ 4.1 จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัย ผลนั้นเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์ผู้เขียนได้ทราบจากพระราชวรคุณเจ้าอาวาสวัดบูรพารามและเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุทธ์ผู้เป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่เป็นผู้ดูแลใกล้ชิดหลวงปู่มาหลายสิบปีและเป็นพระอุปชาผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาของผู้เขียนว่าในความเป็นจริงคาสอนเรื่องอริยสัจแห่งจิตที่หลวงปู่กล่าวไว้ กับคําสอนที่พิมพ์เผยแพร่กันในชั้นหลังนั้นมีการลําดับข้อความสลับกันบ้างเพราะสานุสิทธิ์ได้ปรับถ้อยคําใหม่ให้สละสลวยดังเช่นที่พิมพ์เผยแพร่กันอยู่ในปัจจุบันนี้ข้อความที่ว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยนั้นน่าจะคลาดเคลื่อนจากสภาวธรรมที่หลวงปู่สอนเพราะแท้จริงจิตจะเป็นตัวสมุทัยไปไม่ได้ เนื่องจากจิตเป็นวิญญาณขันอันจัดอยู่ในกองทุกข์ไม่ใช่ตัณหาอันเป็นตัวสมุทยัยหากจะใช้ถ้อยคำให้ตรงกับสภาวะธรรมจริงๆจะต้องใช้คำว่าความส่งออกนอกของจิตเป็นสมุทยัยผลแห่งความส่งออกนอกของจิตเป็นทุก์ทั้งนี้เพราะความส่งออกนอกของจิตก็คือความทยานอยากหรือตัณหา อันเป็นตัวสมุทยัยตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองและความส่งออกนอกของจิตอันเป็นผลให้เกิดทุกนั้นมีสองลักษณะคืออย่างแรกหากพิจารณาถึงสภาวธรรมอันปรากฏแก่ผู้เจริญสติตามรู้จิตอยู่เนือ ง, งจะพบว่าเมื่อใดจิตเกิดความทยานอยากหรือหิวในอารมณ์คือมีตัณหา จิตจะส่งออกไปหยิบฉวยอารมณ์ขึ้นมายึดถือไว้คือมีอุปาทานซึ่งองค์ธรรมของอุปาทานก็คือตัณหาที่มีกำลังกล้าแล้วจิตจะเกิดการทำกรรมคือการทำงานบางอย่างขึ้นทางใจคือมีกรรมพบความรู้สึกเป็นตัวเราก็จะแทรกเข้ามาสู่จิตคือมีชาติจิตจะเกิดความทุกข์ความหนักความแน่นความบีบคั้นความไม่เป็นอิสระขึ้นในฉับพลัน คืมีทุกขนี้ก็คือปฏิจจสมุปบาทที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองพึงสังเกตว่าจุดตั้งต้นของทุกตามนัยนี้อยู่ที่ตัณหาหรือความทยานอยากหรือการส่งจิตออกนอกและทุกตามนัยนี้เป็นความบีบคั้นทางใจซึ่งมีภาระเพราะจิตหยิบฉวยขันขึ้นมาเป็นตัวตนของตนอย่างที่สอง จิตที่ส่งออกนอกหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณเมื่ อ, อยังลงในกรร ม, มชรูปคือรูปอันเกิดจากกรรมซึ่งได้แก่เซลล์แรกที่เกิดจากการผสมเชื้อพันของพ่อแม่หรือแม้แต่ปฏิสนธิวิญญาณของโอปปาติกะเช่นเทวดาและพรหมซึ่งไม่ต้องอาศัยการผสมพันของพ่อแม่เป็นจุดกำเนิดก็เป็นเหตุให้สัตว์นั้นได้มาซึ่งอาญตนะคือมีรูปนามกายใจอันเป็นกองทุกข์ การอธิบายการส่งออกของจิตจนเกิดทุกข์ตามไตยยนี้ก็ตรงกับคำสอนของหลวงปู่ในส่วนนี้เช่นกันนี้ก็คือปฏิจจสมุปบาทที่เกิดขึ้นในแบบข้ามภพข้ามชาติซึ่งอธิบายได้ว่าตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่หรือยังละอวิชชาไม่ได้ความปรุงแต่งของจิตคือสังขารหรือกรรมภพก็ย่อมเกิดมีขึ้นแล้วจิตย่อมยังลงสู่ภพใหม่ คือมีปฏิสนธิวิญญาณแล้วได้มาซึ่งรูปนามอันเป็นทุกข์มีชาติเป็นต้นพึงสังเกตว่าจุดตั้งต้นของทุกข์ตามไตรยะนี้อยู่ที่อวิชชาและทุกข์ตามไตรยนี้หมายถึงตัวขันโดยตรงคือเพียงมีขันแม้ไม่ทันยึดถือขันก็เป็นตัวทุกข์โดยตัวมันเองอยู่แล้ว 4.2 จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลนั้นเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธข้อความที่กล่าวข้างต้นมีหลายนายักคือ 4.2.1 ขั้นการเจริญบุพพาขมมรดการที่ผู้ปฏิบัติมีจิตเห็นจิตซึ่งที่จริงคือจิต ด, ดวงปัจจุบันมีสติไประลึกรู้จิตดวงที่เพิ่งดับไป และเห็นเจมแจ้งคือมีปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตอยู่หนึ่งๆ น, นั้นคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้จิตเป็นวิหารธรรมอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าผู้ปฏิบัติทุกคนจำเป็นต้องใช้จิตเป็นวิหารธรรมเหมือนกันหมดแต่จะใช้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตหรือธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมก็ได้ทั้งสิน้นทั้งนี้ตามแต่จริตที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล การมีจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งในขั้นบุพพาคะมักนี้จึงมีเฉพาะผู้ที่ใช้จิตในจิตเป็นวิหารธรรมเท่านั้นและผลที่เกิดขึ้นคือตะถังกันอิโรธ 4.2.2 ขั้นการเจริญมักเบื้องต้นทั้ง3เมื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนอินรีคือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญา แก่รอบเต็มที่แล้วจิตจะรวมลงถึงอัปปนาสมาธิโดยไม่ได้จงใจเมื่อจิตรวมลงถึงอัปปนาสมาธิแล้วจิตย่อมรวมลงที่จิตไม่ได้ไปรวมลงที่อื่นแต่เบื้องต้นจิตที่รวมลงแล้วนั้นยังส่งกระแสย้อนไปรู้รูปนามอีกสองสามขณะด้วยความคุ้นชินแต่จิตในขณะนั้นมีขันติบริบูรณ์ คือทนต่ออารมณ์ยั่วยวนทั้งหลายนั้นได้จึงไม่ปรุงแต่งสมมติบัญญัติหรือปฏิกิริยายินดียินร้ายใดๆขึ้นมาแม้แต่น้อยรวมทั้งมีปัญญาคล้อยตามอริยสัจว่ารูปนามนั้นเป็นกองทุกข์เมื่อจิตเห็นแจ้งรูปนามพอแล้วจิตจะวางการรู้สภาวธรรมอันปราศจากชื่อนั้นแล้วทวนกระแสความรับรู้กลับเข้าหาจิตอันเป็นาธาตุรู้จุดนี้เอง คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งซึ่งฉับพลันที่จิตย้อนมาเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนั่นเองอริยมรรคจะบังเกิดขึ้นหนึ่งขณะโดยมีสัมมาส ม, มาธิเป็นแกนกลางในการรวบรวมองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือเข้าโดยกันเป็นหนึ่งจนเกิดพลังทำลายล้างสังโยชน์ให้ขาดศูนย์ได้แล้วอริยผลก็เกิดตามมาอีก3หรือสองขณะโดยอัตโนมัติซึ่งข้อความที่ว่า จิตเห็นแจ้งรูปนามพอแล้วคำว่าพอในที่นี้บางท่านพอด้วยการเห็นสภาวะธรรมสองขณะบางท่านต้องดูถึงสามขณะจึงพออริยมักย่อมเกิดขึ้นที่จิตอันเป็นธาตุรู้ที่แท้จริงซึ่งจิตในขณะนั้นเรียกว่ามัคจิตจัดเป็นโลกุตระอุสุจิตและมักได้ประหารถอนรากถอนโคนกิเลสบางอย่างลงเป็นสมุดเฉินี้คือ สมุดเฉตนิโรธทั้งนี้ก่อนหน้าที่จิตจะทวนกระแสของตัณหาหรือการส่งออกเข้ามารู้ถึงจิตจะยังไม่เกิดอริยมรตมาเกิดอริยมรตเมื่อเข้าถึงจิตอันเป็นภาตรู้ที่แท้จริงซึ่งปราศจากความปรุงแต่งใดๆทั้งปวงจึงสอดคล้องกับคากล่าวของหลวงปู่ที่ว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรตและเมื่ออริยผล อันเป็นโลกุตระวิบากจิตเกิดตามอริยมรรมาโดยอัตโนมัตินั้นอริยผลก็เกิดขึ้นพร้อมกับผลจิตอันเป็นธาตุรู้ที่แท้จริงเช่นกันจิตย่อมเข้าถึงปฏิปสติิโรอคือเข้าถึงความสงบระงับอยู่เฉพาะหน้าบรรดากิเลส ท, ที่สงบระงับไปแล้วจะไม่เกิดมีอีกไม่ต้องขนขวายเพื่อดับอีกต่อไป 4.2.3 ขั้นการเจริญอรหัตตมรรคเมื่อผู้ปฏิบัติผ่านโลกุตระภูมิมาตางลำดับจนบรรลุพระอนาคามีแล้วนั้นก็ยังเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่เช่นเดิมเพียงแต่จิตเกิดความรอบรู้ในความเป็นไตรลักษณ์ของกายจนปล่อยวางกายไปก่อนหน้านี้แล้วการปฏิบัติจึงบีบวงกระชับเข้ามาที่จิตเป็นสำคัญแม้จะรู้กายด้วย แต่จิตก็ไม่ติดข้องในกายคงให้ความสนใจที่จะเรียนรู้จิตต่อไปเพื่อสแสวงหาความหลุดพ้นของจิตผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่ายังมีบางสิ่งที่ตนไม่รู้และไม่เข้าใจแต่ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเพราะความไม่รู้และไม่เข้าใจสิ่งนี้จึงยังข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ต่อเมื่อปฏิบัติจ น, จนจิตหมดปัญญาที่จะค้นคว้าหาทางหลุดพ้น จิตจึงหยุดการดิ้นรนคอนควาแล้วฉับพลันจิตก็เห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าจิตนี้เองเป็นตัวทุกข์ล้วนบางท่านเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะจิตไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะจิตถูกบีบคั้นและบางท่านเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะจิตเป็นอนัตตาการมีปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิต คือการที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วฉับพลันนั้นจิตก็ปล่อยวางจิตสลัดคืนให้กับธรรมชาติเข้าถึงสมุดเฉตนิโรธและปฏิปะสัตทินิโรธอีกครั้งหนึ่งและเข้าใจแจ่มแจ้งในนิสรณนิโรธอันเป็นการดับทุกข์ด้วยการสลัดออกจากขันเป็นสภาวะที่พรากออกจากขัน ดำรงอยู่ในภาวะที่กิเลส ด, ดับแล้วนั้นยั่งยืนตลอดไปคำสอนของหลวงปู่ลึกซึ้งเหลือประมาณหากไม่ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมจะเข้าใจในสิ่งที่ท่านสอนไม่ได้เลยถึงเข้าใจก็เข้าใจได้อย่างผิวเผินเพราะคำว่าจิตเห็นจิตมีความหมายเริ่มต้นตั้งแต่การเจริญจิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน ซึ่งผู้ปฏิบัติจะเจริญหรือไม่ก็ได้เนื่องจากการเจริญสติปัฏฐานอันเป็นวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ได้มีเฉพาะการดูจิตอย่างเดียวแต่ในขณะที่เกิดอริยมรรคแต่ละขั้นจะยิ่งยืนยันคําสอนของหลวงปู่มากขึ้นเป็นลําดับเพราะอริยมรรคเกิดที่มกกรรคจิตเท่านั้นคือเกิดเมื่อจิตอันตั้งมั่นอยู่ด้วยอปปนาสมาธิได้หยุดการส่งกระแสความรับรู้ออกไปภายนอก แล้วย้อนทวนกระแสความรับรู้กลับมาที่จิตอันหมดความปรุงแต่งเป็นการกลับมาเห็นจิตนั่นเองทั้งนี้การที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือการทำป ร, ริญญากิจหรือการรู้ทุกการตัดกระแสตันหาย้อนความรับรู้กลับเข้าสู่จิตก็คือการทำปานกกิจหรือการละสมุ ท, ทยัย เมื่อจิตพ้นจากความโปรงแต่งก็เห็นธรรมอันไม่ปรงแต่งคือ น, นิพพานก็คือการทำสัจจิกิริยากิจหรือการแจ้นิโรธและในขณะนั้นเององค์มครรคทั้งเจ็ดก็จะประชุมลงที่มรรคจิตด้วยอำนาจของสัมมาสมาธิอันเป็นองค์ที่แปดของอริยมรรคแล้วเกิดอริยมรรคตัดกิเลสเป็นสมุทเฉดประหารก็คือภาวนากิจ หรือการเจริญมรรคกิดทั้งสี่ในอริยสัตว์นี้ทำเสร็จที่มรรคจิตในขณะเดียวกันนั่นเองยิ่งในขั้นที่เกิดอรหัตมรรคด้วยแล้วไม่ว่าท่านผู้ใดก็ย่อมมีจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งด้วยกันทั้งสิน้นเพราะได้เห็นแจ้งขันอื่นๆจนสามารถปล่อยวางได้แล้วเหลือเพียงจิตเท่านั้นที่ยังปล่อยวางไม่ได้เพราะยังรู้จิตไม่แจ่มแจ้ง วัจิตก็ตกอยู่ใต้อำนาจของไตรลักษ์เช่นเดียวกับขันอื่นๆต่อเมื่อเริ่มกระบวนการแห่งอรหัตมักจึงมีจิตเห็นจิตอย่างแจง่มแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งว่าจิตเป็นกองทุกอันหนึ่งเช่นเดียวกับขันอื่นๆแล้วสามารถสลัดคืนจิตพร้อมทั้งละสมุทัยประจักษ์ถึงนิโรธหรือลิพานในขณะแห่งอรหัตมรคนั้น เป็นการทำกิจทั้งสี่ของอริยสัจให้สําเร็จพร้อมกันได้ในขณะเดียวเป็นครั้งสุดท้าย 4.3 ตามสภาพที่แท้จริงของจิตย่อมส่งออกนอกเพื่อรับอารมณ์นั้นๆโดยธรรมชาติของมันเองเนื่องจากจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ดังนั้นจิตจึงต้องทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ ซึ่งหมุนเวียนเข้ามากระทบทางอาญาตนะทั้ง6อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอารมณ์นั้นจะดีหรือเลวจะสุขหรือทุกข์นอกจากนี้จิตยังมีกิจอื่นที่ต้องกระทำอีกมากมายเช่นเมื่อรับอารมณ์แล้วหากอารมณ์นั้นมีกำลังแรงพอจิตก็ต้องพิจารณาอารมณ์ตัดสินให้ค่าอารมณ์และเสพอารมณ์ด้วยจิตที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้าง และจิตต้องลงผวังบ้างต้องเคลื่อนในภวังบ้างต้องขึ้นจากผวังบ้างเป็นตน้นตามหน้าที่ของจิตไม่มีใครมีอำนาจสั่งให้จิตเลิกทำหน้าที่ของตนได้เพราะจิตก็เป็นอนัตตาการที่หลวงปู่สอนว่าจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกเพื่อรับอารมณ์โดยธรรมชาติของมันเองนั้นถ้ากับสอนให้พวกเรารู้ความจริงของจิตว่าจิต จะต้องออกรู้อารมณ์ผู้ปฏิบัติพึงยอมรับความจริงนั้นและเพียงรู้ตามความจริงนั้นเรื่อยไปจนจิตยอมเสี่รราบต่อความจริงไม่ใช่พยายามเข้าไปแทรกแซงหรือขัดขวางการทํางานของจิตอันเป็นการบิดเบือนความจริงเช่นไม่ต้องพยายามห้ามไม่ให้จิตส่งออกไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นและกายด้วยวิธีการต่างๆเช่นหนึ่ง การเข้าอารูปฌานคือเพ่งสิ่งที่ไม่มีรูป 2. การน้อมจิตไปสู่อสัญญาสัตตาภูมิคือเพ่งรูปจนจิตดับเหลือแต่ร่างกายแข็งทื่ออยู่หรือแม้แต่3การจงใจน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นความนิ่งความว่างโดยจงใจหนีอารมณ์หยาบหรือพยายามปัดความปรุงแต่งทิ้งเพื่อให้จิตนิ่งสนิท แต่ผู้ปฏิบัติควรปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานไปตามธรรมดาและยอมรับความจริงว่าเมื่อจิตรับรู้อารมณ์แล้วก็ต้องเกิดปฏิกริยาตอบสนองไปตามธรรมดาเพียงแต่มันมีสติระลึกรู้รูปนามที่กำลังปรากฏโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปนามภายในคือกายนี้ใจนี้ซึ่งถูกสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเรา ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจนเกิดมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงคือความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนั้นเท่านี้ก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว 4.4 ถ้าจิตส่งออกนอกได้รับอารมณ์แล้วจิตเกิดวันไหวหรือเกิดกระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นเป็นสมุ ท, ทยัย ผลนั้นเกิดจากจิตบันไหวหรือกระเพื่องไปตามอารมณ์นั้นๆเป็นทุกข์ลำพังจิตส่งออกนอกไปรับรู้อารมณ์แล้วหากจิตไม่มีความกระเพื่อมบันไหวหรือปราศจากความยินดียินร้ายอันเป็นปัใจจัยให้เกิดความปรุงแต่งทางใจต่อไปอีกการส่งออกนอกนั้นก็ยังไม่เป็นปัใจจัยให้เกิดความทุกข์ทางใจแต่จิตจะจบการทางานลงแค่การรู้อารมณ์นั้น แต่ถ้าจิตส่งออกนอกไปรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6ทั้งที่อารมณ์นั้นเป็นสภาวธรรมคือรูปนามหรือเป็นอารมณ์บัญญัติก็ตามหากจิตเกิดความยินดียินร้ายใดๆภายหลังการกระทบอารมณ์นั้นความยินดีหรือความยินร้ายนั้นจะผลักดันให้จิตเกิดตัณหาหรือความทยานอยากที่จะแสวงหาความสุขหรือหลีกหนีความทุกข์หรือแสวงสิ่งบางสิ่ง และผลักดันสิ่งอื่นออกไปแล้วเกิดการทํางานทางใจต่อเนื่องไปอีกความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนก็จะแทรกเข้ามาแล้วจิตจะเกิดน้ําหนักแห่งความทุกข์ทางใจขึ้นโดยอัตโนมัติตามกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองอันหนึ่งคําสอนเรื่องนี้ของหลวงปู่เป็นการเล่าปรากฏการณ์ที่เป็นจริงตามธรรมดาให้พวกเราทราบเท่านั้น ไม่ควรตีความคำสอนของท่านเลยเถิดไปถึงขั้นที่ว่าทำอย่างไรจิตที่ส่งออกไปรับรู้อารมณ์แล้วจะไม่เกิดความกระเพื่มอมมันไหวเพราะจิตจะกระเพื่อมหรือไม่ย่อมอยู่ที่องค์ประกอบสองด้านคือ 1. ตัวจิตเองและ 2. ความแรงของอารมณ์ที่มากระทบจิตด้วยกล่าวคือ 4.4 1จุดองค์ประกอบในด้านจิต จิตโดยทั่วไปในกามาวัจรภูมิเช่นจิตของพวกเราทั้งหลายนั้นเมื่อกระทบอารมณ์แล้วมักจะอดกระเพื่อมมันไหวไม่ได้เพราะยังมีอนุสัยกิเลสผลักดันอยู่คือพอกระทบอารมณ์อย่างนี้ก็ชอบใจเพราะมีกามาราคะแฝงอยู่ในจิตใจส่วนลึกหรือกระทบอารมณ์อย่างนี้แล้วเกิดความไม่ชอบใจเพราะมีปฏิฆะแฝงอยู่ในจิตใจส่วนลึก หรือกระทบอารมณ์อย่างนี้แล้วดิ้นรนคนขวาเพราะมีวิจิกิจฉาและอวิชชาแฝงอยู่ในจิตส่วนลึกเป็นต้น 4.4.2 องค์ประกอบในด้านความแรงของอารมณ์อารมณ์บางอย่างมีความแรงเมื่อกระทบแล้วทําให้จิตทํางานมากอารมณ์บางอย่างเป็นอารมณ์อ่อ น, ออนเมื่อกระทบแล้วทําให้จิตไหวตัวทํางานไปนเล็กน้อย แล้วก็ดับไปเองและถ้าเป็นอารมณ์ที่มีกำลังอ่อนมากจิตเพียงไหวตัวในพวังเพียงเล็กน้อยไม่ขึ้นวิถีมารับรู้อารมณ์นั้นทางตาหูจมูกลิ้นและกายก็มีอารมณ์ที่รุนแรงที่มากระทบทางกายยัวาลทั้ง5ชื่อว่าอติมหันตารมรองลงมาชื่อว่ามหันตารมวิถีจิตอันเกิดจากการกระทบของมหันตารม จะไม่มีตถาลัมพนจิตเรื่องนี้เล่าให้เพื่อนนักปฏิบัติฟังไว้เพื่อให้คุ้นสับอภิธรรมบ้างเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าจะสนใจอภิธรรมขึ้นบ้างซึ่งอารมณ์ทั้งสองประเภทนี้ส่งผลให้เกิดการทำงานทางใจคือความกระเคื่อหวันไหวขึ้นโดยอัตโนมัติเกิดชวนาจิตที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างที่เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง ซึ่งก็ไม่มีใครห้ามจิตไม่ให้กระเพื่อมมันไหวได้เว้นแต่จิตของผู้ที่กำลังทรงฌานและจิตของพระอรหันต์ซึ่งย่อมไม่มีความกระเพื่อมมันไหวเป็นปกติอยู่แล้วอารมณ์ที่มากระทบทางมโนทวารชื่อว่าวิภูตารณมเป็นอารมณ์ที่ปรากฏทางใจชัดเจนมากที่สุดทำให้วิถีจิตเกิดได้มากที่สุดจนถึงตถาลําพนวาระ และอวิภูตารม์เป็นอารมณ์ที่ชัดเจนน้อยลงทำให้วิถีจิตสั้นลงคือมีแค่ชาวนะจิตก็สิ้นวิถีไม่มีตถาลัมพนะวาระเรื่องอวิภูตารม์นี้ตาราชั้นหลังบางเล่มตีความว่าวิถีจิตจบลงที่อาวัชนะจิตไม่มีชวนะจิตซึ่งพวกเราผู้ปฏิบัติ คงไม่ต้องไปช่วยถกเถียงตีความว่าอย่างใดถูกอย่างใดผิดสรุปแค่ว่าเป็นอารมณ์ทางใจที่มีกำลังอ่อนก็แล้วกัน 4.5 ถ้าจิตที่ส่งออกนอกได้รับอารมณ์แล้วแต่ไม่หวั่นไหวหรือไม่กระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นๆมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นมัก ผลนันเกิดจากจิตไม่หวั่นไหวหรือไม่กระเพื่มเพราะมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นนิโรธ 4.5.1 สาเหตุที่จิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเมื่อรับอารมณ์การที่จิตปราศจากความยินดีนยินร้ายหรือไม่มีความกระเพื่อมหวั่นไหวตามอารมณ์นั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุคือ 1. เกิดตามธรรมชาติ จิตชนิดที่เป็นวิบากจิตย่อมไม่มีความยินดียินร้ายในอารมณ์และปราศจากความกระเพื่อมหวั่นไหวโดยตัวของมันเองตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเมื่อตากระทบรูปเกิดจิตทางตาชื่อว่าจักกุวิ ญ, ญญาณจิตขึ้นทาหน้าที่รู้รูปคือสีหรือแสงที่มากระทบตาจักขุวิ ญ, ญญาณจิตนั้นเป็นวิบากจิตซึ่งไม่มีดีไม่มีชั่ว ไม่มีความปรุงแต่งและไม่มีความกระเพื่อมวันไหวโดยตัวของมันเองอยู่แล้วคงทำหน้าที่รู้สีไปเฉยๆเท่านั้นแม้จิตที่รับฟังเสียงจิตที่ได้กลิ่นจิตที่รู้รสจิตที่รู้การกระทบสัมผัสทางกายก็เป็นวิบากจิตเช่นเดียวกันขอให้เพื่อนนักปฏิบัติลองสังเกตจิตเหล่านี้ดูก็ได้สาเหตุที่จิตไม่กระเพื่อมวันไหว เมื่อรับอารมณ์ประการที่สองเกิดเพราะการทำสมถกรรมฐานถ้าเพ่งจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตย่อมไม่ยินดียินร้ายต่ออารมณ์อื่นแต่ยินดีอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั้นหรือถ้ากำหนดจิตให้หยุดสนิทอยู่บนความไม่มีอะไรเลยจิตก็ย่อมไม่ยินดียินร้ายต่ออารมณ์อื่น แต่ยินดีอยู่ในอารมณ์ของความไม่มีอะไรนั้นซึ่งเรียกว่าอากินจัญญายตนะวิธีการเหล่านี้เป็นการหนีความยินดียินร้ายด้วยการทำสมถกรรมฐานสาเหตุที่จิตไม่กระเพื่อมันไหวเมื่อรับอารมณ์ประการที่สามเกิดในระหว่างการเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือในระหว่างเจริญสติเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามอยู่นั้น หากจิตเกิดความยินดีก็มีสติรู้ทันหากจิตเกิดความยินร้ายก็มีสติรู้ทันบรรดาความยินดีนร้ายนั้นก็จะดับลงจิตก็เข้าสู่ความเป็นกลางชั่วขณะแต่หากจเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปจนจิตเกิดปัญญาระดับสังขารุเปกขายานได้เห็นความจริงว่าความปรุงแต่งทั้งปวงเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เช่น ความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวจิตก็จะเป็นกลางและหมดความลิ่นรนกระเพื่อมันไหวยินดียินร้ายต่ออารมณ์ทั้งปวงสาเหตุที่จิตไม่กระเพื่อมมันไหวเมื่อรับอารมณ์ประการที่4เกิดในกรณีอื่นๆเช่นในขณะที่จิตทรงฌานจิตย่อมปราศจากความยินดียินร้ายในการมาคุณอารมณ์ หรือในขณะที่จิตเกิดอริยมรรคและอริยผลจิตจะเข้าถึงความเป็นกลางอย่างแท้จริงมรรคได้ชื่อว่าทางสายกลางแม้ในระหว่างที่เกิดอริยมรรคอริยผลนั้นจิตอาจจะประกอบด้วยความสุขแต่จิตก็ปราศจากความยินดีคือมีความเป็นกลางต่อความสุขนั้นสาเหตุที่จิตไม่กระเพื่อมอวุ่นวาเมื่อรับอารมณ์ประการที่5 เกิดเพราะอารมณ์ไม่รุนแรงพอจะทำให้จิตกระเพื่อมันไหวคือหนึ่งอารมณ์ทางกายทวารคือตาหูจมูกลิ้นและกายอ่อนๆชื่อว่าปาริตตารม์ซึ่งเมื่อกระทบแล้วจิตจะขึ้นสู่วิถีเพียงแค่วอดทัพณนะไม่ทันเข้าถึงชาวนะอันเป็นช่วงที่จะเกิดความยินดียินร้ายได้เช่นการเห็นภาพในที่สลัสวสลว ไม่ชัดเจนว่าสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีจิตใจก็จะเกิดความเฉยเฉยต่อภาพที่เห็นนั้นยกเว้นแต่จะเกิดความคิดต่อเนื่องไปอีกว่าสิ่งที่เห็นไม่ชัดนั้นน่าจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้และเกิดความยินดียินร้ายขึ้นซึ่งนั่นเป็นการเปลี่ยนไปสู่อารมณ์ใหม่แล้วคือเปลี่ยนจากการรู้รูปด้วยตาไปสู่การคิดเรื่องราวด้วยใจอันมีสมมติบัญญัต เป็นอารมณ์หรือสองอารมณ์ทางกายทวารที่อ่อนที่สุดชื่อว่าอาติปริตารมณ์เช่นคนที่กำลังหลับลึกแล้วได้ยินเสียงอะไรแว่วๆจิตเกิดไหวตัวในภวังหรือที่เรียกว่าภวังขจรณนะเพียงสองขณะแล้วอารมณ์นั้นก็ดับไปจิตไม่ทันขึ้นวิถีปรุงเป็นความยินดียินร้ายหรือสาม อารมณ์ทางใจที่ละเอียดไม่ปรากฏชัดชื่อว่าอาวิภูตารมณ์อาจเป็นอารมณ์ปรมติหรือบัญญัติก็ได้โดยจิตจะขึ้นวิถีรับอารมณ์ทางมโนทวารที่มโนทวาราวัชนะจิตเท่านั้นแล้วก็ตกหลงสู่ภวังเลยหรือทำงานเพียงเล็กน้อยแล้วก็ตกสู่ภวังเช่นความคิดในขณะที่ยังไม่รู้ว่าคิดอะไร คิดแต่คิดไม่ออกจำไม่ได้หรือความฝันที่เลือนลางคล้ายอาการของคนที่นอนหลับไม่สนิทเป็นตน้น 4.5.2 จิตที่ไม่กระเพื่อมเพราะมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์จึงจะเป็นมักหากไม่กระเพื่อมเพราะได้รับอารมณ์ไม่ชัดเจนหรือไม่กระเพื่อมเพราะสาเหตุอื่นไม่จัดว่าเป็นมักอันหนึ่ง คำว่ามีสติอยู่อย่างสมบูรณ์ท่านหมายถึงมีสติและสัมมาสมาธิคือมีสติระลึกรู้รูปนามที่กำลังปรากฏด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิคือมีความตั้งมั่นและเป็นกลางจึงจะเกิดปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามอันเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่มีสติแบบไม่ขาดสายด้วยการเพ่งจ้องจิต หรือเพ่งจ้องอารมณ์แม้การที่จิตส่งออกไปกระทบอารมณ์จะเป็นทางมาของกิเลสแต่ก็เป็นทางมาของปัญญาคือความรู้แจ้งในกองสังขารหรือรูปนามด้วยจุดหักเหตุที่สำคัญว่าเมื่อกระทบอารมณ์แล้วจิตจะ 1. เกิดเป็นอากุศลจิตปราศจากสติ 2. เกิดเป็นมหากุศลจิตคือมีสติ แต่ปราศจากปัญญาหรือ 3. เกิดเป็นมหากุศลจิตที่มีสติพร้อมทั้งมีปัญญาอย่างใดนั้นก็อยู่ตรงที่ว่าจิตมีสติและสัมมาสมาธิหรือไม่กล่าวคือ1หากจิตทรงออกรู้อารมณ์แล้วปราศจากสติอากุศลจิตก็เกิดขึ้น 2. หากจิตทรงออกรู้อารมณ์แล้วมีสติ จิตก็เป็นกุศลธรรมดาธรรมดา 3. หากจิตส่งออกรู้อารมณ์แล้วมีสติระลึกรู้ถึงรูปธรรมหรือนามธรรมที่ปรากฏด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิคือตั้งมั่นเป็นกลางปราศจากความยินดียินร้ายและสักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวะธรรมนั้นๆอยู่จิตก็จะเกิดวิปัสสนาปัญญาคือเห็นถึงความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนั้นๆ อย่างที่สามนี่แหละเป็นทางดำเนินบุพภาคมักจนวันใดเกิดสติปัญญาบริบูรณ์ก็จะเกิดอริยมรรคอริยผลและประจักษ์นิพพานอันเป็นสมุดเฉตนิโรธปฏิ ป, ปสัตธินิโรธและนิสรณะนิโรธในที่สุดสมดังคำที่หลวงปู่กล่าวว่าผลอันเกิดจากจิตไม่หวั่นไหวหรือไม่กระเพื่อมเพราะมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์ เป็นนิโรธขอย้ำว่าที่หลวงปู่พูดถึงการมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์นั้นหมายถึงมีสติสัมมาสมาธิและปัญญาเพียงแต่ท่านกล่าวอย่างย่อๆเท่านั้นเอง 4.6 พระอริยเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่วันไหวจิตไม่กระเพื่อม เป็นวิหารธรรมพระอระหันต์หมดการกระทํากรรมทางใจด้วยเจตนาอันเป็นบุญหรือบาป ท, ทั้งปวงแม้จิตจะเกิดการทํางานทางใจก็สักว่ามีกิริยาเกิดขึ้นเท่านั้นและกิริยาที่เกิดขึ้นไม่กระเทือนเข้าถึงใจไม่มีการเสวยเวทนาทางใจจึงปราศจากตัณหาอุปาทานพบชาติและถุก และสักว่าทํางานไปตามหน้าที่ของขันอันประกอบด้วยวาสนาคือความเคยกายเคยวาจาและประกอบด้วยความคุ้นชินกับอารมณ์ฝ่ายกุศลเช่นความเมตตาการุณาเป็นต้นแต่สภาพรู้อันเป็นอิสระก็ยังคงเป็นอิสระอยู่เช่นนั้นจิตไม่มีอาการเคลื่อนหลงไปสู่อารมณ์ทางทวารใดๆเพราะไม่ติดในรสของอารมณ์ใดๆ ประกอบกับจิตใหญ่เต็มโลกเต็มจักรวาลหรือที่เรียกว่าวิมาริยาที่กะตะจิตจนไม่มีการมาหรือการไปมีความนิ่งและเงียบสนิทรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างปราศจากความปรงแต่งอันเป็นความกระเพื่มไหวจากภายในปราศจากสิ่งเข้ามาปรงแต่งจากภายนอก และปราศจากภายในและภายนอกเป็นจิตหนึ่งหลวงปู่เล่าว่าท่านอยู่กับสภาวะดังกล่าวนี้มีสภาวะดังกล่าวนี้เป็นวิหารธรรมท่านยังกล่าวว่าพระอริยเจ้ามีจิตไม่กระเพื่อมวันไหวเป็นวิหารธรรมแต่ก็เคยทราบว่าครูบาอาจารย์รูปอื่นท่านก็มีเครื่องอยู่ของท่านแตกต่างกัน เช่นบางองค์ท่านก็อยู่กับเมตตาพรมวิหารคือเมตตาแบบเจาะจงบางองค์อยู่กับเมตตาอัปปมัญญาคือเมตตากว้างขวางไม่มีประมาณบางองค์อยู่กับฌานสมาบัติและบางองก็อยู่กับการอบรมสั่งสอนเป็นต้น